การพัฒนาอีซีอีีห้าพระหานเนี่ยเราไม่เคไฟังรู้ร ก, กันเท่าไหร่ได้เป็นส่วนในสติปัฏฐานสูในการพัฒนาให้องค์รกอบมีข้มแข็งรเงาราเป็น 6, น้นอีซีห้าก็เริ่มของกายก็อซีรูปมีหกอีซีตาหูจมูกลิกายใจ เข้มแข็งมี่คงเข้มแข็งนี่จริงเข้มแข็งมาดแต่ว่าเราเน้นในรูปรูร่างกายใจถ้าหากพลร่างกายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยเวลาเรามาศึกษาเรื่องกรรมฐานนี่ยมีผลเพราะถ้าเราไม่เข้มแข็งร่างกายเราโอนแอรมันง่ายต่อการรับรู้เวลาลหนาวไม่ได่หนุนก็มันหนาวได ร้อนนีน่ยก็เหมือนร้อนมากๆ น, น, นั่งปวดีิดหน่อเหมือนรอนั่งหนักนั่งเรื่อยต้องเมื่อยนั เ, ยน เ, ยนเยนลยๆต้องปวดก็่ในอีซี่อองี่อ่มีเวทนาแรงก็จะเป็นอุปัรรคต่รรรรอสมกานเพราะถ้าร่างกายของเองเนี่ยเวทนาไมสูงเวทนาสูงก็ทาให้เปบีบคั้นจิตพอบีบคั้นจิตเราก็จะไม่ทนต่อกันรักษา จิ ام, ตให้ลักษณะที่รู้เฉยๆไม่สามารถจะรู้เฉยๆได้นานหรือรู store, ้ซ yeah. ื well ่อๆได้นานก็จิตมันมันถูกปิดคันด้วยเนินธนาเพรานั่นแกอีสีนอนอันนั้นส่วนที่ใครมีการใช้ร่างกายฝึกฝนร่างกายมดีในแง่ของความประยัดมันเพียรมีโชบทําการงานตั้งใจจะมีเป็นการทางระดับหนึ่ง ตะนลังมามาก็มาพิจารนาเห็นจนุดเนี้ก็เป็นเหสำคัญครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานเสด็นวิ่ ง, งวิ่งก็เฉลิบาอาจารย์ในสายกรรมฐานท่านใช้เวลาแสวงหาสภาวะธรรมการบรรลุภูมตลอดชีวิตพออายุท่านไปสักอะไรห0สิบหกสิบเจ็ดสิบต้องงานต้อง ไม่ไหวนะใช่ไหมเจ็บป่วยและการทํางานก็ไม่สะดวก็ไปนอนป่วยโรงพยาบาลก็เป็นการชดว่าพาดบ้างยิ่ทํางานก็ไม่เก่งร้อยนะหมายความว่าทำๆอยู่ๆจะทำให้รู้สึกหาก็รู้สึกเกรงใจทุกอาจารย์ทุกพนักงานสอนเราก็ก็ไม่ได้เป็นที่แทนที่จะตั้งใจฟังก็รู้สึกสูงสัมท่านทํางานหนัก ลักษณะ น, นี้เรานึงคิดก็ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีโครงสร้างทางร่างกายที่อ่อนแอ ม, มากอรก็ตามแต่ในแยกพุทธศาสนาเนีมันพัฒานาได้อยากจะมาภาพมถือว่าเป็นคนอ่อนแอขี้โรกสมัยก่อนแต่หลังจากที่มาเข้าใจกรรมฐานแล้วด้รู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็คือสุขภาพของแอนั่นเองตัวเดิ ม, ม, ดมาเอเป็นเป็น ใจเป็นใจประสาทเส่อมเป็นกระเพาะปุงแพ้นี่ประจำจะถือว่าเป็นกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากเหมนพวกหุ่มเพก็หลังจากเข้าใจธรรมฐานแล้วก็รักษาทีนะอย่างไในอย่างไในอย่างจนกระทั่งเกือบหมดทุกอย่างเนื้ออันนี้การรักษายากที่สุดคืออะไรปูแพ้ก็การร้อนหนาวจัดตัวไม่ได้ แต่พอหลังมาพบเร้่มออกกะลังกายช่วยนะภูมแพ้ก็คอยคบคุมได้ระยะแต่ทีสองเก้าจนถึงปัจจุบันเนี่การไปที่ยาหาหมอเข้าโรงพยาบาลแค่จะนับครั้งได้เลย น, นะถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่มีนยาไไปหาหมอถ้าเป็นยาตัวหลังนีาก็มาศึกษาเร่แพทย์ทงเลือกแพทยทงเลือกหลายสกุลทีเดียว ก็เพื่อที่จะน่งเรื่อการใช้เคมีบำบัดใช้ยาเคมีชนิดต่างๆเรื่อต้นรักษาหนึ่งรูปภพก่อนเรื่องการดูแลธรรมดานอกมันน้ํำเยอะๆน้ำอุ่นเช้าเย็นเรื่องการออกกำลังกายได้โยคะก็ทํามานรื่อยๆสลับมามาพบวิธีการรักษาสุขภาพวิธีการดื่มน้ําผักปั่น ก็เสุกเหุมพวงก็มาบทิศนิกรอาจารย์สิทธิวัฒน์คภามาก็ล่าสุขของหมอเขียวเลยิศนิการสมบูรร้อนเย็นก็ทาจริงจังนทั่งว่าไดพาหมอเขียวไปอเมริกาไปถยได้ที่อเมริกานอทิศนิโมทิสตอนนี้ก็ไปกันบ่อยแต่กลัมาเงตัวหนึ่งไปลงที่นัสเบียกันอ่ลนกเลย ทะเลอันนี้สูทั้นี้เพื่อที่จะให้เห็นว่าเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ไม่ใช่พึ่งหมอพึ่งยาพึ่งพยาบาลเป็นเป็นประจําเพราะนั้นคําว่าตาจีอาจารย์นาโถมันก็จะไม่เป็นความหมายที่สมบูรณ์พขาก็พึ่งอย่างค่อยๆพึ่งได้ทั้งสองอย่างพึ่ ง, ใ น, นงนในส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมในส่วนที่เป็นรูปธรรมหมายถึงในรูปเนี่ยเราจะต้องมีความเข้มแข็ง เป็นงพอเพื่อที่จะให้ไม่ใช่เป็นเครื่องบำรุงบำเดือให้เราได้สุขมีความสุขได้เสรีสุขกับกายไม่ใช่แต่เพิ่มเพื่อเป็นฐานะตราบใดที่เรายังไม่หมดเกตีอาสวัอย่าให้ขอให้อยั่งิ่งให้ร่างกายของเราไม่เสื่อมไปก่อนเมื่อไรเราหมดเกลียดอาสวัตโดยชิงเชิงแล้นมันจะแก่มันจะติดมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าสมมุติว่ามันหมเกลื่อาสวะร่างกายมันเข้มแข็งอยู่เราก็จะใช้ร่างกายนี้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะถ่ายทอดเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้คนอื่นได้ชี้แนะคนอื่นได้หายโรคอาสวะโรคสมรุษโรคที่เด็ทั้งหลายนี่ได้เราก็เป็นเวลายาวๆที่ได้ดีเพราะเรามาคนผู้อาจารย์ทํางานผปแท่ไปนานถึงก็เจ็บป่วยแลตายไป แล้วก็เสียดายภูมิธรรมภูมิปัญญาของท่านที่ท่านเสด็จนำมาต่อชิ้นแต่ถ้านเอามาแบ่งปันให้เราไดไ้นานท่านก็ต้องไปนี่คนรุนร่นรุ่นหลังมาครูบาอาจารย์ที่มีกําลังทุนรุ่งทำปัญญาได้รวมหายใจจากแต่คนรุ่นหลังก็ไม่มีที่พึ่ทงทำได้เศรษีปรญยาธรรมดาหนี้แล้วครูบาอาจารย์รุ่นหลังหรือก็วพิชาก็ไม่แก่กล้าไม่เข้มแข็งอย่าท่านนี้คนรุ่นหลังมันก็ปล่อยไดขาดที่พึ่งด้านนี้ไป มาได้คำ น, นึงถึงข้ อ, อสําคัญเหล่านีา้ก็เลยพยายามดูแรทั้งสองส่วนบางคนก็รับได้นืงมาทาําคนก็รับไม่ได้ฝนมาหาดีทุกอย่างเสียเหมือนกินแรงกินกาวน้ำแก้วน้นเด็กแล้วเราก็เยอะมาฟังแต่ว่าฝนมันเกิดกับเราโดยที่เราใช้วิธีนี้มันตลอดแล้วก็คนไหนที่แมนเตี่ยต่อมาในที่สุดก็มาตายกันมาหมดเหมือนกัน รัไม่ได้ร่างกายนี้เป็นอันนี้จงทุกข์ขังน้ำตาไปเอาอะไรกับมันดังหนาใช่ไหมเรื่องเป็นประธานหรือเปล่ายี่ยิดหรื อ, ปรอเปล่าไปนู่เลยนะแต่คนที่พูดอยู่ในที่สุดก็ร่างกายก็เนี้ยงนะอ่ะพร่างกายเนี่ยกกระหันกลับมารูปทานี้บาคนออกมาก็ต้องพาไปรักษาไปหาหมออะไรหาวิธีแน่นอนเพราะอะไร เ, เพราะว่าในแงวของอย่าลืมว่ารูปอันนี้กว่เราจะได้มันมาเนี่ย ออกมาเป็นคนคิดไมเหมือนเพื่นคิดอะไรก็จะยอนไปเราขึ้นมาโกลนได้เนี่ยเรามันพัฒนาไปอย่งไรถ้าเด็กต้นมาโลกนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมหรือว่าก้อนธาตุก้อนหนึ่งยเป็นค้างอยู่างนจะกวาดเป็นคนลุไฟใหญ่ๆแล้วเกิดปีลางด้านปีต่อมาลุไฟลุใหญ่ตัวนี้ก็เกิดแตกเป็นก้อนขึ้นมาเราคงนุ่อยู่กันในสภาวาลนี้โดยทั้งมาเย็นลง ตอนเย็มันก็ม kh ีการจับตัวของก้อนแข็งก้อนอะไรขึ้นมาก็เกิดท่าน้ำขึ้นมาก่อนการจารนั้นก็หมดไปตามกฎของแรงรักท่น้ำก็มีเป็นท่าดินเพราะท่าดินเกิดขึ้นมาก็่ะมีตัวเชื้อและเกิดขึ้นในดินท่าอาหารจะการเกิดขึ้นในดินก็เกิดมีสิ่งมีชีวิตกันแต่น้องก็แต่ไส้เลนทั้งตัว ตัวอะไรตัวอะไรถึงขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาหลายร้อยล้านปีจนขึ้นมาเป็นสัตว์น้ำก่อนพัฒนาสัตว์เป็นสัตว์น้ำาอีกหลายร้อยล้านปีจนมาเป็นสัตว์ตึ้งบกเครืน้ําสัตว์ตึ้บกก็พัฒนามาอีหลายร้อยล้านปีมาเป็นสัตว์แต่กางกันจนกระทั่มาเป็นเรานั้นพัฒนามายาวนานมากนับชาติไม่ถ้วนแล้มันพัฒนามายาวนานเท่าไรจนมาเป็นเราในวันนี้แล้วเราก็ยังเรียนว่าใจเกิดอยู่เนี้ยโอ้ เกิดมานทีก็ผิใช่พ่อมี น, มอ น, นี่อย่างใครไปนั่งมุ่งนงั่งพ่อไม่ได้พ่อจดีขี้ให้ตึงะลับเวลาเพราะ ง, งั้นเจะเป็นบาปในการทำความังรมเรา ง, า ง, างาร่วงไม่ได้ต้องตลิ่นตัวอยู่เสมอเนยพราเราเรามาศึกษาร่วมกันเราจะทำไงเข้าใจในสิ่งที่พอพูดในรุเรื่องอเพื่อเรียนนงไปพัฒนาตนเอง โดยเฉพเราเป็นนักอระมาทฐานด้วยแล้วยิ่งมุ่งก็ได้ เ, เดี๋ยวเดอมันเสียเชื่ออาจารย์เพราะฉะนั้นก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือ้ยวุฒิย่าเริ่แต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นของยากที่สุดเพราะอะไรสัตว์ในโลกเนี่ยแค่จอมตัวจอมเดียวนี่นะมันมีประชากร ม, มันมากกว่าคนมนุษย์ในในโลกนี้นะมาสักหกสิบวิเศษเจ็ดเจ็ดรายละที่เจ็ดตางโล เจ็ดพ <Ooh. S 1> uh, e ันล้านเยอะหกพลานเ็ดพันล้านแค่จองปวกแค่มดสักลังนึงเท่ากับประชากรประเทศประเทศหนึ่งเห็นไหมดังนั้นเห็นไหมว่าสัตว์ที่มันเป็นมวในโลกมันมากมายมหาสารแต่ทั้วลกลายจะพัฒนามาถึงระดับนี้มันกำลังกลายเติบระพัฒนามาด้วยอีกกี่ดอยล้านตีมจะพัฒนาเป็กคนมดตัวนั้นใช่ไหมใส่เบี้ยตัวนั้นก็พัฒนาเป็นคนมีลูกกี่ดอยล้านตี ดังนั้นเราต้องมองให้เราเห็นว่าร่างกายที่มีเป็นสิ่เป็นปฏิบติกรรมปฏิมากรรมของธรรมชาติที่มีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะรักษาดูแลรักษามันให้ใช้ประโยชน์ให้นานที่สุดได้ยางไรและให้ดีที่สุดได้ยังไม่ใช่นานแล้วไปสอบกระแสดเป็นภาระองอื่นไม่ใช่ต้องให้ดีที่สุดถึงว่าละสุดท้ายด้วยเงินแน่ใจนี่ยังไรจะจะปกติทุกวันสุดท้ายเราจะอุบัติเห็ุตายปู้ปั๊บก็หน้าแดงแต่ถ้าตายตามอายุไขเนี่ย ยี่ส0บสีก็เป็นปกติถึงเวลาวันตายมก็ไบ่ายไปกอนนะมันมินอย่างพเส้นเนี่ยเขาก็ตายแข่งกันว่าใครจะตายสวยกว่ากันคนนั่งเทศรัตายไปคนนั่งสมาธิรตัดตายไปมันก็ยนเดิจงกรก็ตายไปสมัยก่อนถึงขนาดนั้นเลยนะแต่ดี๋ยวนี่เราไปตายี่ไหนึ่งตามธรรมดาก็ตายโดยพยาบาลสายเร็้ไม่อะแตเราเราจะเป็นนหรือเปล่าแล้วก็ เราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมนะผมไม่ได้หรอกผมก็เป็น อ, น อ, อนันนี้เจาอันนี้เจาเราโดยมควบคุมมันไม่ได้แหละตรงนี้แหละการปฏิบัติกรรมฐ า, านมันท้าทายมากๆเลยเสร็จแล้วเราจะพัฒนาอย่างไรให้อินทรีย์ของเราเนี่ยเข้มแข็งอินทรีย์ห้าพละห้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโพธิปปญิยธรรมเป็นส่วนหนของการบารรลุธรรมเนี่ยต้องมีอินทรีย์เข้มแข็ง แต่ส่วนใหญ่ินซีห้าเราปฏิสัทธิเรียสติสมคิกตัญญาอันนี้ไอซีในไ่ายนามนะแต่อิีซีในฝายรูปต้องหมายถึงตาหูจมูกลิกน้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอัน่นี้เป็นไอซีไอซีในฝ่ายรูปมี 22, MC MC 22่สิบอ้าสิบออซี5้าิอียินะไซีเจตนาภายนอกอซีเตตนาภายนอกเจตนาภายใน และทั collection collection movie ้งที่เป็น well, ต li ัวภาษาท่ารูปที่มากกว่าเคยลงเป็นยสองให้มันเข้มแข็งคือเยี่ยงเยียงคือกายเข้มแข็งนั่นเองร่างกายเข้มแข็งเมื่อร่างกายเข้มแข็งตาก็จะสว่างได้นานหูก็จะไม่งวกได้ง่ายจมูกก็จะไม่ตีไม่ตันอะไรจะรับกลิ่นได้ปกติได้นานลิ้นก็จะรับรสดีได้นานไม่เสียรส กายก็ไม่พคกลพ่การไม่หนวกไม่บอดระบบประสาทระบบการรับรู้ระบบความทรงจำอเไรงกางปกติได้งานอีสีเข้มแข็งนะไม่ใช่มันเสื่อมตั้แต่อายุน้อยไม่ใช่เ็ราเราไปใช้นผิดทีนี้เรามาดูว่าในการดูแลรือการปอกกำงกายเนี่ยถ้ามาก็ดูประวัติว่าทำไม คนจีนก in in uh, <laughs> ็ด <the ir> ีคนอินเดียก็ดีเอาพันเขาทำไมถึงขยายเรื่อยเรื่ยแล้วก็มีประสิทธิภาพก็เติบโตมาจากพุทธศาสนาเติบโตในอินเดียใช่ไเติบโตในอินเดียแล้วคนสมัยนั้นก็ศักดถึงจากกุงอยู่าับหลับตาหลับตาที่ใดก็งอหกเทลืมตากุกั้นจะได้จะได้ไม่ให้สีจแข็งถ้อ่อนตามอ่อนอาจารย์จะปิดตลอดนี่ก็เลย อินทรีตามนอ่อนะต่ตาเปิดกว้างเอาไว้เราะนั้ น, นในอินเดียก็มีเขาเรียกวิชาการของฤาษีดัดตึงใช่ไหที่เราเห็นที่ว่าว่าโควาตัวเคีื่องมีฤาษดัดตึงคือคนฤาษีเนี่ก็ทกากรรมฐานเพราะนานไปร่างการมันไม่ไหวก็มีการตั้งใจอากาศมีพันในว่าน้ำจัดร้อนจากก็ทาให้สงเคลื่อนกในการดัดตึง ต้นก็ว่าดักแปลงก็เป็นตระกูลต้ระกูลขอ ง, งโยครับทุกตระกูลต่อมาท่านโพธิธรรมทักอเนี่ยเป็นพระหรัรถรูปหนึ่งจากอินเดียได้รับการได้รับคําสั่งจากอาจารย์ท่านปญญาตาในขั้วมืเผยแค่ในประเทศจีนหลังจากพุธทธศตวรรษที่หกในประเทศจีนได้รับพุทธศาสนามาเกืร้อกว่าปีแล้วนี่ ก็ยังพุทธศาสนาแบบเถรวาทเหล่านี้แหละนาทำเนียมการแบบเป็มีผสมประสานเกี่ยวกับไอ่ประเพณีท้องถิ่นก็ยังไม่ใช่เป็นเพียวมุนิซึทีนี้ท่านริธรรมเข้าไปท่านริธรรม้าไปเผยแพ่แบบเคลื่อนไหวเหมือนกันใช้อาการของการเคลื่อนไหวมาเป็นแปรมิเสียงอันบริธรรมหลวงรุ่นปรมาจารย์รักมอนะดูใครปัจจุบันนี้ก็เป็นลงตาวัดสวนน่าจะก็แปรออกมา ท่านจะไปให้มาเอาต้นสบายในสาย ต, ตากไปไปเองไปเป็นไปตรวจสอบความถูกต้อสมบูรณ์ในสายตาแล้วนั่นก็ผิวมานสยแพร่ประมาณจะตัดงาว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยท่านเองเป็นคนทําพิธีการเคลื่อนไหวสอากรรมฐานกรรมกรรมการการเคลื่อนไหวกรรมฐานแบเคลื่อนไหวเนี่ยเปิดแค่เป็นครั้งแรก ท่านสังเกตในการปิ้งเต้นของกระบอกตั้แต่มีข้างบังชฉีดีเนี่ยมันเว้าไวท่านก็ไปสังเกตตอออาการพัสดุมาประยุกต์ใช้แบบการเคลื่อนไหวต่อมากรรมฐานนี้ก็มาพันเกิดเกิดก่ออยู่ในห้อง่าแบบเคลื่อนไหวจะมาก็เกลีเป็นของยุกอารมณ์กรรมฐานของฟองยุกกับเคลื่อนไหวตัวนี้เึงเป็นตรงใต้เคียนกันเพราะอาจารย์สอนนําเสนอนื้อาจารย์องค์เดยวกันในขั้นหมายชี้เชิง ต่อมาเ so, walk ้าก็ก็มาท้าส่งประเจ้าคุณเทพประจินจุลุลีและเจ้าคุณโชลไปเรียนเรื่องนี้มาแต่มาสอนพระองคเทพในสมัยสองสี่เ็ดสี่ถึงสองสี่แปดสี่ปรากฏพรงเทพรับไม่ได้เขาก็ทากรรมฐานแบบพุทโธมาก่อนพอมาทําแบบเครื่อนไหว้รังไม่ได้แล้วก็เลยแจ้งไปยังต้นต่อต้นสังกัดว่ากรรมานแบบนี้ไม่หมะ สรเทพเนี่ยจะเอาวิธีอื่นได้ไหมใช้ลมนาป่าเข้าไปช่วยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเอาแเมื่อขึ้นไหวมือคนไปแล้วก็ขึ้นไหวห้องก็ได้กันหาจะเข้าให้ท้องฟองบริการของหายใจออกท้องยืดบนิการไปนี้แต่ปรากฏว่าทางฝ่ายทางเราที่เคยมาอุปถัมก์เสริม ก็คุมโชลุกแบบเคลื่อนไหวช้าๆตอนที่เขาเรียกไปสัมนาเปลี่ยนวิธีการที่พม่าเนี่ยไม่ได้ไปเดี๋ยวเขาเขามาแจ้งมาสอนนเที่เขาไม่ได้เรียกท่านมาเปลี่ยนวิธีท่านก็นยังใช้วิธีกรรมาฐานเนี่ยวตินิ่งเนี่ยสมัย แ, แรกๆมันเป็นไว้มือใช้ก็ตงนิ่งตงนิ่งช้าๆแต่พอเ อ, อยแพร่เรื่องนี้ไป ก็จเจริญเติบโตใยทางด้านน้ำด้านศพประหลงนองไายท่าบ่อเ่านั้นก็มีสำนักแบบติงนิ่งอยู่รอบๆนั้นต่ว่าหลวงพอเทียนท่านก็เลยไปฝึกเขาหลังจากที่ท่านเกิดบัติเหตุได้าอาบนขึ้นม า, าทา่บุญเพิ่มเยอะมากมายเวลาใครมาพูดอะไรก็ยังโตกยังเกียดยังบุนอยู่แต ว, ว่าเด็คนอื่นแ้ภระยาของท่านเองตั้ ด, ดทีท่านก็ยังโตกท่านัวไม่ทาไม สถาบุมามากหมยตั้งแต่ธรรมฐานก็ทำมาเด้กหนอรักโกก็ทำมาทำไมไมันจึงโกรกทำไมที่ออกจะโกรกไม่ดดได้ต้องการสวรรคาอจอบตรงนี้ไปสวรรคหาไปเจอถ้าจังหวะติงนิ่งนี่แหละก็ไปฝึกติงนิ่งกัน ท, ทุ่มโอนทอในช่วงที่ปฏิบัติถึงสามปีท่านบอกว่าสังเกตว่าเอติงนิ่งเนี่ยชา้าๆก็ไม่ได้ตดโกรกเด็หนอนะ การบริกรรมเหมือนกันอ่ะแล้วแล้วทำช้าๆเพื่ออะไรเพืี่สมุขแล้วสมุขเพรอะไรก็มีสติสัมยาชเข้าไปนั่นการดําเลียงการสื่งของสถิสัมยาช้าก็เข้าไปสู่จิตเนี่ยโดยการใช้การื่อนไหวช้าเนี่ยสถิเนี่ยมันไม่มีกําลังกําลังมันน้อยถ้าเกิดลองขึ้นไหวเร็วปกติหรือเราทำสิทธๆจังหวะ บนั้นสี่สี่จังหวะของท่านก็ดัดแปลงมาจากกรรมฐานติาางต่งนิ่งนั่นเองนะแต่ทำให้มันไวขึ้นแต่ก่อนทํายชาๆที่ทําหนไวขึ้นปกติก็ปรากฏว่าท่านก็เข้าใจเรื่องนี้ได้ทั้งผู้ปกครองไปผ่านไปท่านก็เดินมาทำเอามาสอนกับที่น้องอแล้วงลูกหลานแม้แต่ปัญญาท่านก็เข้าใจจากท่านสอน ก็เลยมาศึกษาดูเอ๊ะระหว่างหนอระหว่างติงนิ่งกับพุทโทนัตมหายใจเนี่ยอันไหนจะได้ผลไวกว่ากันท่านก็มาทดสอบปรากฏว่าแต่ละวิธีการทีนะตโงมายจะเป็นเดือนผ่านไปคนที่ท่านำมาทดสอบมันจะจับหลักรุ่มหนามได้แต่วิธีการขึ้นไหวเนี่ยท่านทดสอบแค่สามวันเขาจะรุ่มหนาม กําลังสติส่วนใหญ่มันแตกต่างกันว่าเหมือนกัคนเดินกับคนวิ่งในระยะหนงีคนเดินปกติมันช้เวลาสบนาทีเงี้ยสมมตินะสินาทีสมยี่สินาทีเดินหนึ่งทีแต่คนที่มันวิ่งเนี่ยใช้เวลา5นาทีหรสนาทีไปถึก่อนถึงตครึ่งท่านก็ทดสอบก็เริ่มทําทดสอบกอนที่จะเปิดเทอมีการทําทดสอบเป็นทดสอบ ก็วิธีไห่มันเวิกักันโดยเอาใช่วิธีนี้ในการยกกล่มเลื่อนไหวนี่แต่ว่าสาระอยู่รูไหนสาระมันก็คือเกิดสติสมัติญะไปเห็นรูปกับนํามันแยกเห็นเลยซึ่งมันอยู่เรื่องกันเพื่อจริงเมื่อก่อนเวลาเราเจ็บปวดร่างกายก็ปวดเจ็บที่กายที่จิตด้วยเวลาไม่สบายใจก็มีผมตัวร่างกายด้วย เพราะว่าไม่สามารถจะแยกให้เห็นว่าความรู้สึกที่เกิดกับรูปเนี่ยมันเป็นผลต่อนามได้ยังไงความรู้สึกที่เกิดกับนามปีใจเนี่ยมันเปผลต่อรูปเป็นแยกไม่ออกมันเป็นอันเดียวกันแต่พอมาเจริญสติแบบนี้แล้วสร้างสติสัญญาณมาเข้ามาเข้าเวลาอะไรมากระทบรูปให้รู้เท่าที่มันกระทบรูปโดยที่ความรู้สึกเจ็บรู้สึกหนักที่กระทบรูปเนี่ย ไม่เข้าไปกระทบจิตคือไหมายความว่าจิตไม่เข้าไปยึดเวลามันเย็นที่รูปจะทํางานว่าให้ผู้สิทธิ์ตัวว่าที่หนาวโดยจิตก็เฉยเฉยนาวก็ใส่ไปว่าหนาวที่ร้อนก็ใส่ไปว่าร้อนโือที่ไม่เป็นสําคัญว่าร้อนหนาวร้อน่เป็นเรานั่นเป็นตัวหนาวตัวร้อนก็ดูไม่เฉยเฉยได้อ้ตรงแยกตอนนี้พิจารณาลักษณะก็เลยแยกตรงแยกนามคือหมายความว่าอะไรมาประทบอยู่ที่กายก็ให้อยู่ที่กายเดี๋ยวเข้าไปมีบคั้นที่จิต อะไรมากระทบกพที่จิตก็จะให้มันมีพฤติกรรมอันนี้คือทดสอบร้่นต้นของอารมณ์รูปนามเวลาเราสามารถสัมผัสได้เงี้ยอะไรมากระทบแต่มันก็ไม่ได้กันไดทั้งหมดแต่ขอให้รู้ว่าเออมันมันรู้ว่าเออกระทบแล้วนยัไม่เนียวเราะว่ามันจะต้อไปมีพั้นจิตทุกครั้งไอ้บงต้นเนี่ยเราจะเอาเวทนาทางกายเนี้ย เป็นหลักดก่อ็มันยิงใช้แล้วกทนได้เมื่ออีซีทางกายเนี่ยมันแยกแต่อียีจิตด้วยอาศัยกําลังของสติสัมปชัญญะที่เราสร้างขึ้นจากการเคลื่อนไหวเราจึงสังสมตอบย้ำตัวการเคลื่อนไหวบ่อยๆดพื่อเพื่อให้กําลังมันมีอย่างนักมวยทุกคนสามารถเป็นได้เพื่อการทนักมวยส่องบ่อยๆใช่ไัม สอกว่าตามวิชาเ้าเนี่ยสอมบ่อยๆก็เป็นนักมวยได้เหมือนกันไอตัวที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นคนรู้สึกตัวธรรมดาแต่พอเราซ้อมความรู้สึกตัวนี้บ่อยๆแล้วก็สามารถเพิ่มความรู้สึกตัวที่ธรรมดาให้มีกําลังเพิ่มหน่อยได้นักมวยที่มันกําลังธรรมดาที่คนมีก็ไปซ้อมบ่อยก็กำลังรมันก็แข็งแกร่งก็แข็งแกรงสภาพเลือดลมอะไรต่างมันมีพลังขึ้นมันก็ให้ร่างกายแข็งแกรง เหมือนนักกายกรรมนี่ยิมไดสติกีฬาทั้งหลายเนี่ยเขาเล่นอะไวัเด็อะไรก็พอมีการซ้อมอยู่เป็นหประจำเหมือนกันเมื่อเราจะทําให้กําลังของสติสัมยัะเข้มแข็งเนี่ยก็จะต้องทําตัวเนี้ยทาตัวการฝึกตัวรู้เนี่ยเข้าไปเพราะตัวรู้กับตัวจิตตัวจิตจะตัวรู้เนี่ยมันเป็นสภาพที่เป็นนาเหมือนกันนะ ในส่วนตัวรูปเนี่ยมันอาศัยนามที่เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าวิญญาณกายยัวิญญาณลำพังก็รู้ที่กายและรู้ที่เป็นกายยวิญญาณมันไม่พอที่จะไปรู้สภาวะที่มากระทบที่มันรวดเร็วแล้วก็จิตวิญญาณเข้าไปจับทันทีกำลังไม่พอที่จะนิ่ง จับปั๊กมันก็กระเทือนทันทีเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนวิญญาณเนี่ยให้นเป็น ญ, ญาณล้วนๆได้ไงเพราะคาว่าวิญญาณนปนคำว่ารูปเข้าไปอยู่เช่นคำว่าจับปุวิญญาณก็หมายเพราะว่าเราเห็นภาพปัปป๊กเรากจินตนาเป็นรูปแบบนี้จับโสตวิญญาณก็ได้ยินเสียงรูปปั๊กแลก็นึกถึงรูปที่เราได้ยินเข้ามาเป็นสร้างรูปทันทีเลยเรียกว่าเป็นโสตวิญญาณ ฐานวิญญาณเชื่อวิญญาณกายวิญญาณและมนุวิญญาณมันก็ยังมีรูปปนอยู่เคาเรียกว่านามารู่แต่เวลาในการฝึกปฏิบัติเนี่ยต้องการให้มันเหลือความรู้สึกล้วนๆโดยที่ไม่มีรูปอยู่เลยเนี่ยเช่นเรานั่งเนี่ยเรารู้สึกนักความรู้สึกหนักเนี่ยถ้าเรารู้มันเฉยๆมันก็จะเป็นเป็นแต่รูปนามอ่ะตรงนี้เรื่องเข้าใจนะ ถ้าความรู้สึกตัวที่อยู่ในรูปนี้เรียกว่ารูปนามแต่ถ้ามื่อใดรู้สึกเมื่อนั่งนามรู้สึกมีนิรุมขันอนอัดเงี้ยความรู้สึกอันรำคาญนั้นเป็นนามารูปนี่ไอ้ตัวรูปตัวที่กายมันเข้าไปร่วมในนามกลายเป็นนามารูปเพราะฉะนั้นตัวนามารูปตัวนั้นมันก็เลยเป็นทําให้เกิดเรียกว่ามันมโวิญญาณกายยังมีญาณด้วยแล้วกายวิญญาณก็มีญาณเ้วยไปเกิดได้เป็นนามารูป อันนี้ขอโทษนี่ต้องใช้ภาษาเทคนิคเขานะเดี๋ยวถ้าไม่ใช้ภาษาก็มันยินๆนะครับก็ม้วย่าง้ <c oughs> สมัยนี้มันชอบม่วแต่เรื่องนั้นนามธรรมนี่ยิ่งม่วน ง, ง่ายใช่ไหมมันสมหวังพิสูงไม่ได้ถ้าไปดูบทควาก็อาจจะจก ต, ตากันม่ได้แต่นามธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ดูตาไม่ได้ไม่ได้ดูตาทาขึ้นมาเราก็พระจะพูดว่าไงเราก็ต้องเชือ่อ เ, เราไม่มีเราเห็นพระจะม่วนไงไงเรก็ต้องต้องตามเราไม่เข้าใจแล้วก็เห็นทุก ไม่เห็นเกิดสภาวะนั้นดังนั้นในปัจจุบันนี้เราจำเป็นต้องพูดความจริงให้กันฟังล้เพราะมันเป็นยุคสมัยทีกอยากเป็นหนึ่งทพิสูจนแม้แต่นํามาทําต้องพิสูจนให้ได้ว่ามันไปยังไงมาอย่างไรถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการทาให้เห็นชัดเหมือนนังเรียาศาสตร์ของสูจน์กันแต่ถ้าสามารถจะสื่อความหมายที่เข้าใจได้พูดถึงว่ากำลังของเศรษิจสัญญา ทุกคนมีใช่มทุกคนมีถามว่าเวลามีตัวคนมากระทบให้โกรธเนี่ยทำไมถึจริงโถงทั้งทั้งเรื่อมีสติสัญญาทำไมยิงโถงเพราะกำลังของสติสัญญานั้นพอไหมไม่พอที่จะหยุดยั้งได้แค่การกระทบทางแค่นี้มันถ้าหนุ่เขาไปสินใจญ่เขาไปสิงจีไอตัวเสียงที่ ก็แท้ถึงที่มันไม่น่าป่อยใจเนี่ยแทนที่จะทุบก็จบเหมือนกับเสียมนกเนี่ยแล้วยินเสียงนกเราไปตรวจมันนะก็ไม่ได้โกรธถึงแม่้มันจะด่าเราใช่ไหมเพรเราไม่รู้ภาษาอมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งโกรธทั้งเฉยเฉยอ่ะแต่เวลาใครมาพูดเนี่ยเรารู้เรื่องใช่ไหมันุษยกเขไม่ใช่ใจมันว่างเปล่ามันก็กลายเป็นความรู้สึกไม่ป่อใจเป็นนามารูปเจ้าตัวนั้นก็เป็นสูตให้เกิดทุกข์ แต่สติสัมยาลมีอยู่ทํามถึงกันไม่ได้ไม่เหมือนกั น, นสง่อมลงะเพราะตัวโซตวิญญาณพวกเรากำนัมสติไปไม่ทันมันถึงด้วยแปลงแปลงจากลูกกลายมาเป็นนามมันยิ่งเกิดเอเมชินอิ เ, อเมช่นภาพในใจขึ้นมาเป็นภาพในใจตัวเรียกว่านามมาอุ้มเพราะฉะนั้นยาแรกที่สุดใน 16บหกของสายหนอนนะเขาเริมนด้วยน้มาุษย์ปฏิเสธยานนะนี่น้มปฏิเสธยาก็จะมาเป็นยาแรกของนิพพานที่จะต้องแยกให้ออกแต่ว่าในแง่ของสมถะให้แยกรูปจากนามแต่ว่าในแง่ของนิพพานก็ไปแยกนามจากรูปซึ่งสับสนไหมมันยังไงแยกรูปกับนามแยกนามกนแยกรูปกับนามก็เราหนั่นมันหนาว จะแยกการหนาวออกจากกายไม่ให้ความหนาวไปมีพันกิจได้ไงแต่แยกความหนาวจากกายนี้ไม่ได้ ก, ก็กายตั้งกายสังขารนี่เป็นรูปเรยธรรมชาติั้แต่ว่าตัวรู้สึกไม่ชอบความหนาวเนี่ยมันเพิ่งเป็นนาวมวารูปเพิ่งเกิดเราไปแยกตัวความตัวที่ออกมาจากความรู้สึกนั้นนี่เขาได้แยกรูปนาวเนี่ยรูปนามแยกนามรูป แยกรูปแยกนามนี่มันเป็นภาษามันจะคงแยกแยกไม่ได้จะไปแยกความหนาวความร้อนออกจากกายนี่ไม่ได้แยกได้ก็ต้องดึงด้วยวิธีที่จักการบําบัดใช่ไหมเช่นนั่งตรงนี้หนาวเราก็้เป็นห้องที่มีฮีมมันก็ไม่หนาวแล้วนั่งตรงนี้ร้อนเขาเปห้องที่มีแอรอันนี้คือวิธีการแยกรูปนามก็คือใช้วิธีการบําบัดนั้นเช่นนั่งนานๆมันหนักใช่ไหมบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวคือการบําบัด รูปนามแต่การมีสติสัมปชญญะเขาไปตามรู้สิ่งที่ผกระทบิสเพื่อให้ม่ใมันคิดปุงแก่ต่อสิ่งที่ปรากบเรียกว่แยกนามกุ้งเรียว่านารู้งปฏิเสธเัญญากจะได้เลยรู้คนใหม่ใช่ตอนแรกแกเรายังไม่เข้าใจเราต้องทนเราไม่ใช่เพราะว่าตินี่นะให้ทนไปก่อนแต่พอเข้าใจแล้วหลงเกิดปัญญาแล้วเราก็ เราก็เริ่มเห็นสภาว่าอ๋อที่ให้ปล่อยใจเพราะตัวนี้เองเราไปเห็นมันฟังมันคิดตามคิดตามในสิ่งที่มันดีเราคิดตามในทางที่ดีในสิ่งที่ไม่จริงโดยคิดการในทางที่ไม่ดีในสิ่งดีไม่ดีและสิ่งที่เป็นจริงอย่างลักษณะที่หนูพ่อกำลังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นจริง การที่เราความจริงเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างมนมงุษย์ภาพขึ้นมาเป็นภาพได้นะเขาบอกคนเนี้ภาพเป็นอยูะไรหนูนภาพอะไรนั่นเองอันนั้นคืมันเป็นจริงก็ได้อ่าตัวนั้นเป็นนามล้ว น, น, นเป็นนามล้ว น, น, นไมันมีภาพแต่ในตัวนกเนี่ยมันเป็นแล้วก็เราไปสร้างรูปนกคนมันในใจใช่ไหมแต่เพราะว่าปัญญาเนี่ยรูปมันเป็น เราก็สร้างเป็นบทคว า, า, อ, ยาอย่างนู้อย่างนี้แมันไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราเลือกภาพมันไม่ออกตรงนั้นก็เป็นนามลวนๆ น, นะเพราะฉะนั้นทำที่เป็นฝ่ายที่ไม่สามารถสร้างเป็นความรู้สึกออกมาเป็นภาพต่างๆแต่ความรู้สึกโปรธเนี่ยความรู้สึกให้ปล่อยใจรูปมันเป็นยังไงนึกภาพออกความรู้สึกโปรธเป็นรูปนามด้วยนามรูป ตัวนี้เัวนองสําคัญถ้าสมมติเป็นนามลูกหมายความว่าเราสร้างภาพพวกมานในใจได้อย่างรูปางลูกนกอย่างลูกแต่ลูกของคํามโกนเนี่ยบอกว่าเป็นนม า, ามลูกแต่ทำไมเราสร้างภาพ ม, มันไม่ได้เออพรวันนั้นจะไปเคลียร์อะไรที่ว่ามันเป็นนามรูกมันจะเป็นภาพปรากฏในใจเสมอไปไม่ใช่นะแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบแต่ความรู้สึกพอใจแต่นูกยังไง ความรู้สึกปอใจที่อาศัยรูปข้างนอกตาของตัวมุมปีกายเนี่ยรู้สึกพอยใจในอาหารแล้วก็นึกถึงภาพอาหารใช่ไหมแล้วก็รู้สึกชอเรารู้สึกชอบดอกไม้เราคิดภาพดอกไม้ยแต่บางครั้งเรารู้สึกปอใจโดยที่ไม่มีภาพอะไรเลยเนี่ยมีใช่ไหมตรงนี้เป็นรูปเป็นนามรูปทีเป็นนามมันมีวันเป็นยังเป็นนามพูปอยู่เพราะมันอาศัยที่เกิดที่เวทนาคือความรู้สึก ความรู้สึกที่มันเป็นอย่างความรู้สึกร้อนอะไรเงี้ยน้ํามันร้อนหรือเปล่าก็ไม่ได้ร้อนแต่ความรู้สึกมันร้อนเหมือนน้ำของบบมาม น, น้ําแต่ความรู้สึกร้อนที่ในใจนมันเล่นไม่ได้ออกมาเป็นภาพแต่ออกมาเป็นความรู้สึกความรู้สึกเรื่องๆเลยวัตถุกเช่นเย็นเนื่องเลยวนนตัตถุคือน้ํามันทําให้เย็นมันจึงเป็นนามารูปอันหนึ่งเพราะ ความรู้สึอนั้นอาศัยรูปเกิดแต่มันปรากฏที่เวท น, นาของเรามันก็ยังเป็นนามรูปอยู่คใหม่เข้าใจเข้าใจตรงความก่อ <laughs> นแต่อันนี้เป็นเรื่องเศรษฐธรรมพูดแล้วคนจะมีพื้นไม่พืพ้นเข้าใจได้นช่เป็นสิ่งเข้าใจได้เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้เราเพก็จะง่ายขึ้นในการที่เกี่ยวข้องสิ่งที่มากระทบเพราะมีการกระทบตลอดวเวลา ตากระทบกูเสียงกระทบหูจมีงกระทบหินดิกระทบดยยังยอดนแข็งเก็แข่งตึงกระทบกายแล้วก็อารมณ์ภาวะนามรูปกมากระทบจิตมีแค่เสาร์เวลาไม่ทําอะไรก็ทำหนึ่งดังนั้นตัวที่จะไปตามรู้การกระทบเพื่อยเห็นส่วนใครส่วนมันโดยที่ไม่ได้ปมกันจึ่งเป็นเรื่องยากมากสาหรับคนธรรมดาที่ไม่ได้ปุ่มก็จะทําไม่ได้เลย เขาจะใช้ควารู้ชันหนึ่งสติสัมยาในชั้นสัญชาตญาณแต่ผู้มาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการพัฒนาระดับสติสัมยัาระดับสัญชาตญาณให้เป็นปัญญายาให้เป็นปัญญายาคือหมายเพราะว่าสามารถแยกส่วนรูปก็เป็นนิามสิ่งนี้นามรูปรูปในกายเป็นรูปในใจเป็นรูปในกายประกอบกับกายและรู้สึก รูปในใจเกิดทั้งจิตะรู้สึกและเห็นภาพด้วยเพราะฉะนั้นรูปที่ปรากฏในจิตเนี่ยมันมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นเพียงความรู้สึกเรื่องเวทนาระดับที่ออกเป็นภาพเรืยองวิจิตมันจะมีสองภาพโดยอาศัยรูปเนี่ยที่มันจะสื่อเข้าถึงจิตได้โดยอาศัยผ่านเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาคือความรู้สึกเองแล้วผมแค่เรียเวทนาทางกายทั้งหดอะ มันก็จะขานตัวตัวกายก็มามีสู่วตัวเวทนาเวทนาเดี๋ยวนี้ก็จะแปลงเป็นอาการอาการของจิตมันก็จะมีส่วนบิดพันต่อจิตเวลาเรารู้สึกรู้สึกกายการทำกายที่รู้สึกสบายแล้วก็ค่อยพอใจในความสบายนั้นและความพอใจความสบายนี้เราเรียกว่าสุขใจความรู้สึกจะเป็นจิตเป็นสุขใจ ในภาคปฏิบัติถ้าเราของเรื่องเหล่านี้เราก็จะเห็นความรู้สึกต่างๆเป็นกลางมันไม่ใช่เราไม่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเท่งตึงมันมันเป็นกลางกลางแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกที่มากระทบทางตาหูจมูกจกใจถ้ามันแรงเกินไปเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันและบําบัดเช่นหนาบินไปไม่ควป้องกันด้ย ก็ออุ่นไเย็นหน้ออย่างเงี้ยก็ขึ้นมาระดับหนึ่งร่างกายแต่ถ้าสาหรับคนที่อ่อนแอก็จะรู้สึกเย็นนิดหน่อยก็รู้สึกเย็นมากอันนี้ร่างกายถ้าได้ EC อ่อนทุกคนบางคนต้นนะแต่คนไหนที่อีซีเข้มแข็งก็จะไม่บีบคั้นมากเป็นไปจากคนหอมกับคนว้นนีรับการกระทบผัดสะหนาวเนี่ยต่างกันใช่ไหมคนหอมเวลาหนาว เย็นอากาศเย็นแจ่แจ่มเป็นหนาว ก, กว่าแต่คนที่มีเนื้อหนัง ม, มากอย่างคุณโอเนี่ยเวลาเย็นแจ่แจ่มไม่เสียเป็นไงก็ไม่หนากเท่าไหร่ใช่ไหมก็ต้องมีเลเยอร์ของของกันหลายชั้นของกันหลายชั้นดังนั้นเมื่อเป็นงนี้เราก็จำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งรูปและทั้งนามให้มีความเข้มแข็ง การออกกำลังกายจึงเป็นส่วนที ộ, cả, ái, này, ่จะช่วยพัฒนาเราจะบอกเออร่างกายมันเป็นอิจฉาขงควาพัฒนาเท่าไหร่หนอแค่นั้นแต่ว่าในการประยุกต์ใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องพัฒนาให้มันรู้ว่ามันไม่ยั่งยืนไมเสื่อมแคลนแน่นอนแล้วก็ยังคาว่ายั่งยืนคือมันใช้ใช่ไหมบอกว่าอันนีจังจะทําให้มันเสื่อมเทียมหน่อยถ้ามันไม่เทียมไีมันจะล้มใช่ไหม ท่นเก้ี่ยท่านมันเที่ยงเที่ยงเน่ยท่าที่บอกผู้อย่างไม่เที่ยงแล้วทาไมบอกไปถามเอาความเที่ยงเนี่ยในระดับสมมติมันใช้ได้ยืนให้ตรงตรงหน่อยตรงเที่ยงไม่มีแต่ทําไมมันบอกให้ย่นตรงตรงวางให้ตรงตรงบางอย่างถ้าฐานมันดีก็วางตรงได้ตรงเนี้ยฐานแค e. ่ถามว่าวางตรงอย่างนี้ได้ก um ็ไม่ได้เพราะฐานมันไม่เที่ยงนี่ทํายังไงฐานตั้งมันเที่ยงเพิ่งขยายฐานให้กว้าง ตอนี้คนอยายฐานนี่ก็มกับเทียนแหละจิตของเราเหมือนกันถ้าจิตของเราตั้งอยู่บนฐานที่ทับแคบจิตของเราก็จะตกไปสู่อามอดีตว่าอนาคตว่าเราจึงมาขยายฐานที่จิตให้กว้างเรียว่าฐานสติสติปัฏฐานฐานความรู้สึกให้กว้างบวายถ้าความรู้สึกมันทับแคบปั๊บมันก็จะวิ่งไปสู่ความคิด ตกไปสูความคิดนั่นการคุนแตกดังนั้นการขยายฐานความรู้ให้กวา้างเรารู้ว่าการขยายตัวอยา่างปัญญาสติคือเป็นฐานที่ดีที่สุดเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะว่ามันเป็นสุภาพแรกรับม่นต้นส่วนเมื่อตั้งสติได้แล้วเนี่ยมันจะกลายพัฒนาต่อไปมันก็จะ กำลของสติฐานกว้างตึกว่างระดับแรกวรื่าสติเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิฐานสติกว้างระดับที่สสติเปลี่ยนเป็นสมาธิสติเปลี่ยนเป็นปัญญาสติเปลี่ยนเป็นญาสติเปลี่ยนเป็นวิชาสติเปลี่ยนเป็นนิพพานญาณไปตามลำดับฐานข้อสติกว้างเพิ่เรื่อยเรยยิ่งฐานกว้างเท่าไรก็ยิ่งร <pe> ับอารมณ์ได้ได้มาก โดยที่มันหอารมณ์นั้นลุดเข้ไปจริงจิจิตก็ไม่ต้องไปรับการปนเตืการของรูปที่มากระทบเพราะมีฐานของตัวสติหนาแน่นในการสร้างบ้านถ้าหากเราจะติดแนทนบเ่ถ้าเราวิ่ํทำก็อินซูลเลชันกันหลายชั้นนะให้ความรอ้อนข้านอกเข้าไปั้งในได้ให้ความเาาย็ น, น, นข้างในก็ไหลไปข้างนอกได้ ก็มีอ n นซูลเอชชั่นป้องกันนันหเพราะฉะนั้นเราจะแี่งการสร้างบ้านถึงคนยุโรปในครั้เหมือนว่าเราเราได้ฝ่าชั้นเดียวขอคนสันฝาขนาดนี้เลยนะหมายว่ากนสองข้างตรงการเป็นอ n ซูลเชชนสามารถเก็บคามร้อนเก็บควาหนาแต่ว่าในบ้านไม่ถิ้นีร้อนนี่จะมัมีเครื่องโฟมด้วยสุญญากาศกันเหมือนเดียวกันจิตของเราต่างก็จะต้องมีตัว เชนวนเรียกว่าตัวเช่นวกั้กลางเพราะฉะนั้นโดยสติสัมย่อยกะกลายเป็นตัวกั้นกลางความพอใจไม่พอใจเข า, าม่องมีแค่ชั้นไม่ต้องมีเฉพาะข้างในแต่ความพอใจมันข้างไหนก็ไม่อยู่ตรง น, นี้ไม่ต้องมีตรตัวนี้เป็นตัวกั้นก็จะเรียกว่าฐานก็ได้นะและสติปฐานเพราะนั้นการที่มาปฏิบัติโดยที่ใช้วิธีการเจริญสติแบบนี้คือการเพิ่มนะเพิ่มกําลัง เพิ่มความหนาแน่นของตัวรู้สึกนั่นเองเมื Lincoln, st, musst, ่อตัวหนาแน่นรู้สึกแล้วแล้วเพิ่มความรู้สึกให้หนาแน่นให้เข้มแข็งแล้วอะไรมากระทบมันก็มีความต้านทานสูงนะเวลาความพอใจกระทบเข้ามาก็รู้สึกพอใจได้น้อยหรือไม่รู้สึกว่าไปไปเสกความพอใจหรือสิ่งที่จะทําให้เกิดความไม่พอใจกระทบเข้ามาก็รู้สึกไม่พอใจนิดหน่อย ที่เยอะแรงันีก็แต่พรญหาแน่นาเข้ามาเข้าะทบก็เฉยๆคนสื่อปล่อยใจปล่อยใจเพราะไ่เขาไปมีคันลักษณะนี้เรียกว่ากาลังของสติสัญญาของเราเริ่มเปลี่ยนจากสัญันทณเป็นอะไรัญญาหญ่เลเป็นนิพพานญาติลลพราะั่นการที่เราต้องนั่งตอบยังกลังของสิ่งเราจึงไม่สงสัยว่าทาไมต้องทําึวัน เพราะเราใช้ันทุวใช่หมมีอะไรก็ทบปั๊บยังคอยู่แสดงว่ากำลังอ้อนจะดิบพอเลยนะไม่พอเราก็ต้องมาผันต้มตมตเพราะนั้นเรายังไม่สงสัยว่าทาไมต้อง่าทั้งหมดทมันจะเกิดตัวเองกันทำไมช่ไหมมึงเคยจำจริงไเหมือนวจปุ๊กเดียวเลยปุกสองปุ๊กอะไรจำเงินเส้าอยู่นั่เพื่ออะไร ให้มันละเอียดขนี่ละเอียดขึ้นมันก็จะการอะไรกลมกลนเข้ากับส่วนมือได้แต่ถ้ามันไม่ละเอียมก็เป็นชิ้นใหญ่ที่มันทิ้งขาง่ายถ้าใครมันจว่าเรื่องชิ้นใหญ่ที่มันมันก็เข้ากันไล้เหมือนกันที่เราตอกย้าตัวความรู้สึกมันมีความรู้สึกต่างๆการจะรับประานเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาไปตอกย้าเปลี่ยนคือคือเราจะไปแยกเองใช้ความแยกไม่ได้แต่เรใช้ความรู้สึกน พอคารู้สึกว <c ười> ่าเขาความรู ốt, à, uh ổi, ้สึกมันไปทําที่แยกมันเองโดยเป็นหน้าที่ของข้าเหมือนกันแกงที่เราแกงเรามีหน้าที่จะไปไปทําให้ลดขิงข่างานไข่ตึ้งกลุ่มเท่าไหร่นันออกต้นงูนี้เรามีหน้าที่มันตําำถ้าตำกลุ่มกันได้ส่วนแล้วรถต่างๆมันจะออกขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างแต่เราไม่ได้ยี่งโคลนอันนี้เราไม่ไน้ที่ที่เนี่ย ต่ำขึ้นไปให้เป็นระดับตัวนี้ต่ำยิํงขึ้ว่าตัวนี้ไอ้ตัวรู้ที่เกิดในขณะขณะนี้ตัวนี้ก็จะไปสร้างธรรมชาติกับเป็นัญญาเป็นสัญญาเป็นสัมปชัญญะเป็นสมาธิอะไรของเขาอย่างที่เท่ากันไม่ต้องไปตามขบวนการเพราะนั่นเปขบวนการตามธรรมชาติแล้กระทั่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็มีหน้าที่รดน้ําเส่ปุ๋ยคนอื่นก็ส่วนเขาจะไปแตก ออกิ่งเป็นใบเป็นิ่งเป็นก้นเป็นเรื่องของเขาละไม่ใช่ของเราที่ไปกองเติมไปอะไรได้นะนี่คือ่าเทียมของธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมะคอณธรรมชาตินี่นเองจะได้จะทาไงจะต้องนั่งทำไม่ได้ไม่เบื่อไม่หนื่อยไม่มิ่นไม่อุดอัดไพุ่งซตรงนี้แหละคือคันจําเป็นของการชี้นี่เพราะคนที่เคยประสบมาเกิดเก็จะรู้วิธีแก้ไขใช่ไหพอคนใหม่เข้ามา ก็จะใช้วิธีเดียวกันเองเวลาคุณทําป็นนานๆสภาพของคุณก็จะสิ้นสบายอะไรแสภาพเป็นง่วงนะแล้วก็มาดูความง่วงมันเกิดขึ้นได้ยังไงกระเพาะจีบของเราเนี่ยมันเคยตอบสนองสิ่งที่มากระทบปกติเปิดตลเวลาแต่พอเราไปทานี้เราไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่กระทบพราะเราต้องการทีแยกไอ้ตัวสิ่งกระทบกับตัวรุ่งออกจากกัน ถ้าสิ่งที่มากระทบกับตัวรูปแยกมากระทบมันก็ตัวรูปนามก็เปลี่ยนเป็นนามารูปด้วยไปเป็นสมุทัของทุกเจ้าแต่ที่เนี่จะพอมากระทบุูปนามไม่ให้เปลี่ยนเป็นนามารูปให้มันเป็นตัวอยาห่ให้เปลี่ยนเป็นตัวนํามเฉยๆไม่ให้เป็นรูปเราก็จะต้องต้องเปลี่ยนทำหน้าที่เปลี่ยนตลอดไปแต่ถ้าบางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจกับการเปลี่ยนเท่าไหร่ตัวความน่งมเวลานานีันแห้งไป มันเริ s, als, ่มหรือว่าป้องันตะง่วงไม่ได้เพราะตัวกระทบใจมันเป็นตัวความนักความสบายประคสบายเข้ามาราไปเสียมันก็หายใจเรืสั้หายใจรืพลมหายใจแผ่วก็เเน้ยในสมองขอขาดเยนพอสมองขาดเตี้ยนก็อาการหายง่วงก็จะเกิดขึ้นมันเป็นเตปัจจัยที่ไม่เกิดการใดการนี้ เพราะเพราะว่าที่งว่ก็เป็นเพราะว่าที่สมองขาดอัฟเยนใช่ไหมเราก็ต้องทำไงจรสึกด้วยการหายใจดึงเอาอัเยนเข้าไปน่สมองก็ป็นตัวยอีกทนงเนี่ยก็ทำให้เราได้แก้ไขปัญหาเรื่อยๆแก้ไขบงบัดแก้ไขไปซึ่งมันเป็นเด็เ hmm. ป mm ็นผลทางวิทศาสตร์เลยเวลเราทาเราก็ไม่ได้ทาไปแบบไม่รู้ไม่จริทำแล้วทาตัวเอท แต่ก็ไม่ได้คิดหรอกนะตามรู้ไปเรื่อยตามรู้ว่าการสมุดรู้โดยที่มีอะไรมารบกวนมัหรือเปล่าความพอใจความพอใจความอ่ดอัดความงงความขี้ควาเบือความขี้เกียจเข้ามารุกวนไหมถ้าเขามันเข้ามารุกวนเราก็ต้องมาไล่มันออกไปเพราะเรายังเป็นคนใหม่อยู่การที่จะป้องกันแค่สิ่งบนร่างกายได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องหนุนรอดเข้ามาแต่หน้าที่ของพวกเรากือบังออกไป บ่บตดก็ตั้งสกิรู้ใหม่บ่บัดในสิ่งที่เกิดขึ้เข้ามาแล้วเ ป, นป็นนามรู้ออบเขตตั้งสกิรู้ใหม่นี้เรียกไปพอมันเกิดทักษะเกิดความชื่อชื่อชนาญมากเข้ามาเข้ า, าเราก็จะทำกิจ ข, ของเราจะนิ่งทําได้นานเมืกก่อแกลี่ยนก็เป็นสิ่งที่กระทบกอทิดเรารู่มรู้ทา่นสิ่งที่มากระทบแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่เปลี่ยนเป็นตัวรู้เปลี่ยนตัว เป่ตัวกิดตักระทบเป็นตัววุไปเรื่อยๆนะหน้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะนั้นเมื่อก่อนเราไม่มีตัวนี้เป็นตัวคอยปรับเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่มากระทบมันก็กลายเป็นแสงชัดติยาเงยตัวนู้เลยมันเปลี่ยนเป็นแสงยาตัวนู้ตามเปสชัดติยาเพราะการเปลี่ยนเป็นสงชัดติยามันไม่มีระบดไู่มีรูปแบบมันมันอ่าไม่มีระบบรืูปแบบความคิดมันก็เลยเอาไปใช้หมด ออกมาเป็นความคิดเราะถคนทั่วไปยริงไม่รู้ว่าเขาคิดมันมาได้ยังไงคิดที่ดีเพราะการกระทบพรเราไม่จำรู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นความคิดถ้าเปลี่ยนได้่หมดมันก็ไปเก็บไว้ทั้งกาย่อมเขาเรียกว่าอะไรทิศใจสมญุหรือสับคอนชีสถ้าเปลี่ยนเป็นคอนชีสมายไม่ทันก็เป็นสับคอนชีสเพราะสับคอนชีสเวลาเราเกิดก็คิดเรื่อยเวลาเดินเป็นร้มมาอย่างนี้โน้มน้าสั่งสมมาจากการกระทบเอง ผลกระทบทางใช่ไหมตาจะโตรูปกจะโตตาเสียงจะโตหูกลิ่นจะตุ้มจมูกสัมผัสรถกระทบนิสสัมผัสกระทบกายอารมณ์ประทบผิดถ้าเราไม่มีสนิตาหูก็จะเปลี่ยนเป็นที่คิหมดเลยทําไมถึงคิดได้ขี้ดิบที่จะเป็นป่าเป็นพอเป็นปูนก็ต้อมีเพราะไม่สามารถจะแปรเปลี่ยนตัวนี้ให้มันเป็นตัวรู้ขึ้นมาได้ดังนั้น เราเนี่ยพอในการเรียนคือตามรู้ให้มากที่สุดแล้รู้ทั้งอีบทใหญ่อีบดย่อยรู้ตาตรงในใจรู้หลายๆผ่านไปไปรู้ไปสุดขั่วก็รู้อย่างนปั๊บมันไปิที่มันระทบกับรู้คิดรู้สร็จกรู้ไม่ต้องมนคิดรู้เฉยๆแ้วก็ใหมันจบที่รู้ไม่ไม่ปวมันเป็นความคิดความความเความอยากไปวดตึงไป ถ้าอย่างนี้เพราะนการปฏิบัติก็จะดีขึ้นเราต้องการที่จิตที่มันรู้้เฉยๆจิตมันนิ่งที่นี่นะแต่จิตนิ่งไม่ได้คนนิ่งแบบไม่รู้แล้วถ้าสมถานี่ก็นิ่งแ้วกนิ่งแบบไม่รู้นะก็เสกเลยเสกสุขเสกสมิงแล้วเขาไปในยิ้มในฌานในเยสุติปฏิหาได้ไรมากมายแต่อันนั้นไม่เป็นประโยชน์ทางปัญญาเพราะสิ่งตัวมรรคเขาเปลี่ยนเป็นอำนาจของสมถะเรียกว่าเป็นสมถะ แอบเปิดโลเปลี่ยนเป็นห น, นา้าของตัวรู้กเป็นวิปัสนาเราต้องการเปลี่ยนเป็นตัวรู้มากกว่าเพราวิปสัส น, นานี้สามารถที่จะเข้าไปเข้าใจผมของตัว อ, อ, อย่างการเป็นจริงแต่สมรรถมีเข้าใจไม่ได้เพมัเป็นตัวตัวพลังมันนะเนี่ยเป็นตัวพลังออกเป็นอำนานที่เด็นปฏิหารแล้วออกมาเป็นตัวรู้หรอกมาเป็นกาลังบางอย่างของเนี้ย เมื่อเราเกิดก like ําลังอย่างปัญญารู้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงป้องไม่สงสัยผู้สงสัยเราไม่ก็ไปไปเสกไปติดเนี่ยเรื่องน้นเราก็ไม่ตกเป็นทาสของารรงนี้นทุกอย่างใช้ไปในสานการณหน้าที่กินอาหาการงานที่พูดตามหน้าที่เกี่ยวข้องกันมหน้าที่ไปต้างเงดับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเราเป็นผู้ยึดเป็นผู้เสกเป็นผู้อิจัรับเข้ามาเป็นขตัวเองเรื่อยู่กีประานนะ เฉะนั้นในช่วงของวันนี kita, talk, kita, ้เป็นวันได้อยากจะให้ไปทดสอบการทำดูให้ให้ถูกต้องกับการดูการยื่นการเดินสามารถตามเนื้อไดทุกบุกเรื่องคนที่ทำงวนานๆเน่ยสามารถตามดูได้ง่ายนเก็มีพื้นฐานแต่ว่าจะตามดูไม่ให้คิดตามดูไม่ให้งงในไหวมันเราก็ค่อยทำไปก็เสถียรขึ้นไปขึ้นขึ้น ก็จะง่ายก็จะเบานะนั้นวันแรกวันนี้ในช่วงหลังช่วงหลังการเช้าแล้วเจ็ดโมงตุ่มแปดโมงเราก็จะมุงโดดที่นี่ก่อนในรุ่ต้นนี้ก็อยากจะปฏิบัติไหนก็เป็เสื่อมใหญช่วงบ่าย็นขยายรอบรอบตัวไปก็หลายวันเข้าแล้วคนในเขียงแต่ก็จะขยายออกไปไกลออกไปที่นก็มันยัง Alloy, temas, ยังแก้ไขปัญหาอย่างไม่ถูกยังเป็นยั่เกลดแกัวมัวเดกเับเนกะทว่าคนนั้นเริ่แก้ไขปัญหาเป็น ign, ngày, ค, คนในตัวเองเป็นการปรับแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแยกออกไปซ่งที่ทางออกไปแก้ไขตัวอได้การปรับมาเพราะนั้นในช่วงเช้าวนที่น่งกลรมทั้งหมดก็เพื่อที่จะเห็นความสาคัญก็การมีกามีจิต แล้วเนี่จะทํางานให้มันไม่มีทุกข์มันก็จะต้องมีระบบป้องกันโดยระบบกันคือตัวระบบสถติสัญญาตระยาแต่ถ้าหาระบบสถติสัญญาที่มีอยู่มันไม่ยงคงมีนจะแป้สภาพมันไดนะ้สมมุติเราจะตุ้ตมไข่สตู้มนึงมีไฟเปการแดดเป็นการบดกางแดดไข่จะสุก บังร <c ười> ัอนกม่พแต่เอาแล้วเพิ่มความร้อนด้วยการเอาแข่โซเดียมตะตั้งแล้วก็แปลงแสงแดเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่แล้วเปลี่ยนเป็นไฟ220เป็นควมร้อนหนึ่งพอที่นี้น้ำเดือไข่สุกนี่คือวิธีการแล้วเราฟังในแสงแดดมนร้อ้แล้วบางกำลางรู้ของสัจยานมันแสงแดด มนไม่อ่อที่จะไปเปลี่ยนจิตของเราที่เหมือนกับไิสัญชาตาณดิววิชา้ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นยานตัวยาไดนะ้ต้องมาแปลงตัวรู้ระดับสัญชาญาณด้วยกานวิปัสนาที่เราปฏิบัติให้เป็นตัววิปัสนาญาณที่มันกลังล้ำสูงกว่าไมนะได้กลังยาไได้กาลังชานเข้าใจได้มเข้าใจได้ก็เนอควรพัฒนาสากฝึงใจที่เราได้มี เรียกษาความเพียรอย่างต่อเนื่องโดยที่มันมีบริษัทเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเสหมอจากชีวิตที่ไม่ดีให้มันดีจากชีวิตที่ไม่เห็นให้นจากชีวิตเป็นทุกข์ม่ให้มันคุกขด้วยการดุจเป็นทุกข์เทีย